อันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบารมีพร้อมแล้วคือมีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมคือสั่งสมบารมีมามาก็เหมือนอย่างกับบัวเนี่ยใกล้จะบานแล้วพอได้รับแสงอาทิตย์ก็บานขึ้นมาทันทีมีนะาในสมัยพุทธกาลก็มีส่วนบางรูปบางองค์เป็นพระอรหันต์เพียงแค่ฟังธรรมะก็ยังไม่บรรลุธรรมก็มีฟังแล้วพิจารณาแล้วก็ยังไม่บรรลุธรรม ก็ต้องนำเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติมาสร้างความเพียรมาเจริญสติเดินจงกรมจนส้นเท้าแตกบางทีปฏิบัติตั้งแต่ัว่ํายันสว่างจนเกือบจะสว่างจึงจะบรรลุ ธ, ธรรมก็มีบางรูปบางองค์ก็มีความเพียรมากนิวรนเข้าครอบงํานั่งหลับสับประงกทนี่ก็มีมากก็มีเหมือนกันในสมัยพุทธกาลใช่ไม ผลสุด้าก็บรรลุธรรมได้ก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยผ่านการปฏิบัติตอ น, นั้นฟังธทำแล้วจะมาคิดนึกเอามันก็เพียงแต่เข้าใจธรรมะแต่จิตก็ยังไม่เข้าถึงธรรมไม่เข้าถึงธรรมแต่ลว่าไม่เข้าถึงตัวเราเองก็จะบรรลุธรรมไม่ได้ต้องผ่านการปฏิบัติทั้งนั้นส่วนมากแล้วยิ่งมาสมัยนี้เนี่ยครูบาอาจารย์สมัยนี้ก็ต้องมีความเพียรมุ่งมั่น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 ถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาในจิตใจเนี่ยเราต้องเป็นทุกข์ใจเราจะเป็นทุกข์ทันทีเลยทุกท่านก็ทราบดีแต่ทำไมเวลาเรากระทบอารมณ์ดีไรแล้วก็เราก็ต้องโลภต้องโกรธต้องหลงทุกทีไปทั้ง้าที่รู้นะว่ามันทำให้เราเป็นทุกข์แต่เราก็ต้องยึดมั่นถือมั่นในกิเลสให้เป็นทุกข์จนได้อันนี้เรารู้เพียงแค่ฟังเอาจาเอาคิดเอา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 มีกิเลสความโลภมากระทบจะปัดความโลภออกไปพอความโกรธมากระทบก็จะปัดออกไปจะปัดออกไปไม่เหมือนกับเราถือไม่กวาดไปอันหนึ่งเวลามีสิ่งสกปรกมาเราก็กวาดมันออกไปกวาดมันออกไปก็คิดอยู่เลยว่าเราจะปัดอารมณ์ออกไปปัดตัวตนออกไปให้ความคิดมันไม่เที่ยงขณะคิดจิตมันก็จะว่างได้เหมือนกันด้วยความคิดแต่พอเวลามีอารมณ์มากระทบเราเผอสติแค่ความหงุดหงิด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 เพราะว่าเราเองเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับสภาวะของความว่างที่แท้จริงไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เราคิดเอาเราไม่ได้เห็นทุกข์เอ็นโทษของอารมณ์ที่มากระทบไม่ได้เห็นทุกข์เอ็โทษของความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสกับสภาวะที่กิเลสก็ครอบงาไม่ได้สัมผัสกับสภาวะที่เรายึดมั่นถือมั่นมันก็ยังไม่จริงก็ต้อง